อันประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานแต่เทวว่าจะได้นำเอาความรู้พิเศษในเรื่องนรกมากล่าวกับบรรดาท่านหลายเพื่อเป็นการศึกษาั้งนี้ก็เพราะว่าเรื่องของนรก มีจริงตามพมบาลีแต่ได้ว่าคนที่รับรองเรื่องนรกไม่ค่อยจะมีกันหมายถึงว่าคนยอมเชื่อนรกนี่หายาก <c oughs> ถ้ามีเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของนามธรรมาในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมาไม่สามารถจะเห็นได้ในตาเปล่าก็ย่อมมีความจําเป็นที่คนจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ควรจะประนามบคุคคลพวกนั้นว่าเป็นคนไม่ดีถ้ <c oughs> าดีๆแล้วความรู้ในพระศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มอบหมายไว้ให้แก่พวกเราครบถ้วนกนณีเพราะว่าที่พระองค์ทรงกล่าวว่านรกมีจริง <c oughs> สวรรค์มีจริงพรามโรคมีจริงพระนิพพานมีจริง คนตายแล้วถ้ายังไม่สิ้นกรรมก็จาจะต้องเกิดมีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงรับรองว่าเป็นของจริงในเมือ่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าทรงรับรองแล้วกล่าวไว้ในที่หลายสถานว่าคนตายแล้วเกิดองค์สมเด็จพระพู้มีพระพาคเจ้าไม่ห้องกล่าวลอ ย, ลอย สรงแนะนําวิธีปฏิบัติที่ให้รู้จักว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงความสุขความทุกข์ของบุคคลทั้งหลายที่สร้างกรรมชั่วและผลของกรรมชั่วดีภายตัวไปเป็นทุกข์มีจริงอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายความรู้อนิเว้ <c oughs> สอนไวยว่าถ้าต้องการจะรู้จักนรกต้องการจะรู้จักสวรรค์ ว่าต้องการจะรู้อะไรทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระผู้ทธมีรัตพ่าจัเจ้าตัดแล้วสมเด็จพระพุทธมีรัตพ่ะเจ้าแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนําว่าจงระ จ, จงปฏิบัติแบบนั้นจงปฏิบัติแบบนี้มีองค์สมเด็จพระจินศรีทรงแนะนําพวกเราไว้แต่ถ้าว่าท่านหลายใครบ้าง ที่รับฟัง อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามจริงจะทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดไว้จริงทุกอย่างซึ่งเวลานี้ท่านทั้งหลายก็ได้พากันฝึกมโนมยิทธิซึ่งจัดว่าเป็นในพิญญาอันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เราจะเรียกกันว่าวิชาสามก็เรียกไม่ได้เพราะว่าวิชาสามไม่สามารถจะยกอธิสมาในากายไปได้พกต่างๆได้แ <c oughs> ต่ถ้าหากว่าเราฝึกมโนยิธิเราสามารถจะยกอธิสมาในากายไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรห ม, มโลกก็ได้ไปเที่ยวแดนเปรต ก, ก็ได้หรืออยากจะทราบประเพณิพานสูญและไม่ศูญ ถ้าเรามีวิปัสสนาญาณพอสมควรเราก็จะเข้าใจเรื่องพระนิพพานได้ดีนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจินทสีไม่ได้ทรงปิดบังเราบอกไว้บอกว่าที่ตรงนั้นมีอะไรมีความสุขมีความทุกข์มีสมบัติมากมีสมบัติน้อยท่านก็ บ, บอกวิธีการเดินทางไปสวด้วยช่วยให้เรารู้ให้เราเห็น แต่ถ้าว่าถ้าหากว่าเราไม่พากันปฏิบัติตามแล้วก็จะมาโทษบอกว่าพระพุทธเจ้ากล่าวสิงกุขึ้นเท่านั้นมันก็เป็นการไม่สมควรดั <c oughs> งนั้นถ้าเรามีความสงสัยในคำส อ, สอนขององสมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาเราก็ต้องพิสูจน์คำสอนในการปฏิบัติจริง เหมือนกับที่บรรดาคณะบิณฑบาตทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่กำลังพากันฝึกกรรมฐานและฝึกปโนมยิธิในปัจจุบันแต่ความจริงในเวลานี้ในปัจจุบันนี้คณะของพวกเราที่ร่วมปฏิบัติกันเป็นกลุ่มก็มีหลายท่านด้วยกัน ที่พากันได้พระกรรมฐ า, านกองนี้คือมโนโมิทิสามารถท่องเที่ยวไปในพบต่างๆเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นพุมโรคได้และเข้าใจพระนิพพานได้มีแล้วม <c oughs> ีการปฏิบัติหรือว่าคำกันฟังคำแนะนำสอนสอนพระองค์สมเด็จพระบัีแก้ว <c oughs> เขาต้องฝึกกันแบบนี้ ไม่ใช่พอ ร, รับฟังคำแนะนาและเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกินวิสัยไม่สามารถที่เห็นได้ก็บอกว่าเชื่อแล้วแล้วไม่เชื่อแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องทานที่ดีแล้วต้องบิสู์ตามคำแนะนํำของพระองค์เพื่อนั้นว่าเวลานี้คณะของเราคาว่าคณะไม่ได้แยกพวกหมาย่ากลุ่มที่เราปฏิบัติร่วมกัน ก็หมดความสงสัยบางท่านเที่ยวไปได้ในพบต่างๆ <c oughs> ไม่ได้พากันหมดความสงสัยไปแล้วพระธรรมคำสอ น, สอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนแล้วมีความจริงฉะนั้นเพื่อให้บรรดาท่านพุทตบ ร, ริษัทชายหญิงที่ปฏิบัติได้มโนยิฐิ จะได้ปฏิไปหาท่องเที่ยวไปสู่ที่ต่างๆเพื่อไม่คลาดจากความเป็นจริงยังได้นำมาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพมโลกในไตรภูมิมาแนะนำเป็นแนวทางเขาไว้ในจงอย่าลืมว่าการแนะนำนี่เป็นเพีย ง, ง, งข้อโดยย่อตามพระบาลีเท่านั้นไม่ใช่จะละเอียดออกเกินไปเหมือนกับคำว่าเรารู้จักว่าคนไทย เขากล่าวก็ว่าคนไทยมินิสัยเป็นอย่างไรมีประกอบอาชีพชอบอาชีพอะไรมันเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้นเนื้อแท้จริงๆรายละเอียดเราไม่รู้เราจะรู้ได้จริงๆเราก็ต้องไปอยู่กับคนไทยจริงจะเข้าใจว่าไทยคนนี้มีความสุขมีความทุกข์ชอบอะไรปฏิบัติแบบไหนแล้วก็ไทยคนนั้นเป็นอะไรปฏิบัติแบบไหนมีความสุขมีความทุกข์มีความเป็นอยู่ยังไง จริงจะเขามีความเข้าใจในไทยจริงๆ <c oughs> เรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนาก็ไม่กันที่บรรดาท่านพระองค์สมเด็จต้น ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนบรรดาท่านพระบริษัทยชายหญิงก็งว่าไวแต่เพียงหัวข้อโดยย่อถ้าเราต้องการจะรู้จริงรู้ความละเอียดก็ต้องปฏิบัติตามสําหรับอรบรมพมบทฤษฎียาวไปสักนิด วันนี้ก็มาขอพูดทั้งโยมมลรุกียานรกพรนรกคุ้มใหญ่ท่านรกที่เป็นบริวารกล่าวมาแล้วก็ขอกล่าวตามที่องค์สมเด็จพระบัณิตแก้วทรงตัดไว้ถ้าถ้อยคํานี้กล่าวไปไม่ค่อยสละสลวยนะักก็ขออภัยด้วยเพื่อนํานบาลีมากลางอ่านให้ฟังทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทราบว่า คนพูดพูดคืออาตมาไม่ใช่พระศาสดาคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเอาของพระพุทธเจ้ามาส่งกล่าวมากลา่ า, กลาวให้ท่านหลายฟังฟังแล้วปฏิบัติตามสําหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิเพื่อทราบตามแนวทางที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ระวังอุปาทาน เมื่อเวลาจะไปทิ้งอุปาทานคือความรู้ที่ศึกษาเสียเวลาไปพบอะไรเป็นของจริงจำมาแต่ว่าเวลาจะเข้าทำจิตให้เข้าถึงมโนยุธิจงอย่าลืมว่าอย่าถืออุปาทานที่รับฟังไว้เป็นสำคัญตั้งใจไว้ให้เป็นเอกคาตารมกัอบอุเบกขาลมจะพบความจริง ต่อตอนนี้ไปก็จะขอนำยมอะโลกยิยนรกมาพูดกับบรรดาท่านพุทธมริสัจชายิงและบรรดาวิสุทสมันเลนคํามโยมอะโลกยิยะนรกก็เห็นจะไม่ขอแปลว่าเรื่องกันดีกว่าท่านกล่าวว่าสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้เสวยทุกเวทนาโทษในมาหา น, นรกใหญ่และอุสศธนรกดังกล่าวมาแล้ว หากว่ากรรมยังไม่สิ่งก็จำจะต้องไปเสวยกรรมนนรกอีกต่อไปซึ่งนรกทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าโยมลูิยานารกก็โยมลูกิยานารกนี้อยู่ในสถานที่ต่อจากอุสุธนานรกไปเป็นนรกบริวารของมห า, รานารกใหญ่ทั้งแปดขุม เหกล่าวว่านรกใหญ่ทั้งแปดขุมแต่ละขุมก็มียมมาโลเกียนรกเป็นบริวารร้อมรอบในเบื้องหน้าสิบขุมในเบื้องหลังสิบขุมทิศขวาสิบขุมทิศซ้สายสิบขุมรวมสี่ทิศก็เป็นสี่สิบขุมพอดีมี่หมายว่าแต่ละขุมมีนรกที่เรียวกว่ายมมาโลกเยนรกร้อมสี่สิบขุมท่านกล่าวต่อไป ว่ามาหานรุกใหญ่แปดขุมขุมหนึ่งหนึ่งมียมโลเกยียนนรุกร้อมเป็นล้อมรอบเป็นบริวารชั้นนอกสี่สิบขุมจึงรวมเป็นยมโลเกยนนรุกทั้งหมดสามร้อยี่สิบขุมพอดีเพื่อความเข้าใจง่ายท่านบอกว่าจะขอแยกยมโลเกยนนรกออกไว้ดังนี้นี่ท่านจัดไว้วันหนึ่งล้อมรอบสังชีพระนรก สี่สิบขุมล้อมรอบกาลสุตตานรกสี่สิบขุมล้อมรอบสังฆาตานรกสี่สิบขุมล้อมรอบโลลุวะมหานรกสี่สิบขุมล้อมรอบอขอโทษล้อมรอบโลลุวะนรกสิบขุมสี่สิบขุมล้อมรอบมหาโลลุวะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบตาปะมหานรกสี่สิบขุม ล้อมรอบมาหาตาปะนรกสี่สิบขุมล้อมรอบอเวจีมาหานรกสี่สิบขุมรวมเป็นย ม, มโลกพิเยนยานรกทั้งหมดสามร้อยี่สิบขุมท่านกล่าวต่อไปไว่าอยขอกล่าวแต่เพียงย ม, มโลกพิเยนรกสิบขุมซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบเป็นบริวารแห่งสันชีพนรกเพียงทิศเดียวเท่านั้น คือหมายถึงความว่าสัตว์ที่ตกนรกขุมใหญ่ถ้าออกมาจากนรกขุมใหญ่แล้วแล้วก็มาตกในรกบริวารด้านใดด้านหนึ่งสี่ขุมแล้วก็ต้องมาผ่านย ม, มาโลกยันรกอีกสิบขุมไม่ใช่ไปผ่านทั้งสี่สิบขุมที่ตั้งไว้ทั้งหมดสี่ทิศก็ดักบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่จะออกจากนรกขุมใหญ่ว่าออกทิศไหนก็ตามต้องผ่านนรกบริวารสี่ขุมต้องผ่านย ม, มาโลกยันนรกสิบขุม ท่าฉะนั้นท่านกล่าวเฉพาะ่ทิพเดียวท่ากล่าวว่ายมมาโลกเยียนรกอื่นๆก็ดีและยมะโลกเยยนในโกที่ล้อมรอบบริวารในมหานรกอื่นๆก็ดีก็มีชื่อและมีการเสวยทุกข์ทรมท์เหมือนกันจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็เพียงเพียงว่าเป็นการเสวยทุกข์ทรทษที่หนักหรือเบาหมายความว่าทิล้อมสันชีพนรกกลมเบาลงบ้านหน่อย ล้อมกาลสุดตะนรกก็หนักนิดหนึงล้อมสังขารตนรกก็หนักลงไปอีกหน่อยล้อมรอบโลวะนรกโลโลรุวาหานรกก็หนักไปอีกหน่อยล้อมรอบมหาโลวะนรกก็หนักไปนิดมหาโลวะมหานรกเลยผมที่ห้าเลยเยอมหาโลรุวะมหานรกสําหรับผมที่สี่เลยล้อมรอบโลรุวานรกโลรุวามหานรก ขุมนี้ห้าี้มีมหาหน้ามหาหลังล้อมรอบตาป่านนรกก็นหนักปีกหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อเป็นอันว่าล้อมรอบทั้งหมดด้านน่ะสิบขุมท่านบอกว่ามีเพียงแต่เพียงว่ามีโทษต่างกันเท่านั้นหนักต่างกันฉะนั้นเมื่อทราบว่าและเพื่อเข้าใจได้เพียงสิบขุมเพ่ยงที่เดียวก็ไปทราบว่ายมาโรกิยารกในขุมอื่นๆในชั้นอื่นๆก็มีเหมือนกันทั้งหมด ก็มีโทษเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากันถ้าจะแนบบอกว่าโลหะคุมพีนรกเป็นโทษจัดเป็นระเบียบนรกคุ้มใหญ่รวมโทษนรกบริวารรวมโทษมายมโลภะนรกในแยกโทษแล้วโทษ้อยลงไปไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ลงโทษรวมแยกแต่ละอย่างเื่นหนึ่งโลงหะกุมพีเป็นโทษจากปาณาติบาตในการฆ่าสัตว์ชีวิต สองชิ้นทีนรกเป็นโทษจากกาเมศมิชาจารสามอาสิกนักฆา น, นรกเป็นโทษจาการละขโมยอาทินาทานสตาปะาตามโพธกานรกเป็นโทษจาการดื่มสุราเมไรห้าอโยุคระ น, นรกเป็นโทษจากการดีไรย 6. ปัสสะปะพัพทะนรกเป็นโทษจากการโก เจตโทสานรกเป็นโทษจากคนที่ทคิดคดโกงเขาปาศิตะโลสิตะนรกเป็นโทษจากการขาดเมตตาปราณีเก้าสุนักขานรกเป็นโทษจากโทษจากการปากร้ายดาบิดามันดาดาสมณะชีพรามสิบยันตะภานาณนรกเป็นโทษทําร้ายคู่ครอง นี่ผู้ที่ซ้อมสามีซ้อมพัญยาเะระวังให้ดีนะก็มีนรกสำหรับเก็บไปเหมือนกันนี่ท่านมาขอขยายความในนรกสิบอย่างสิบขมแต่ได้อย่างนั้นต่อไปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุมที่หนึ่งที่เรียกกันว่าโลหะคุมพีสำหรับลงโทษคนที่มีโทษเป็นปานานาธิบาตสมเด็จพระบรมรลกขก น, นาสมบัญญายไว้ดังนี้โดยย่อ ด้วยโยมโลกิยะนรกขุมที่หนึ่งมีชื่อว่าโลหะคุมพีในนรกขุมนี้มีหม้อเหล็กขนาดใหญ่เท่าภูเขาคำว่าภูเขาก็หมายถึงภูเขานรกไม่ใช่ภูเขาบ้านเราที่เต็มไปด้วยน้าแสบแล้วก็ร้อนเดือดซ่าอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่บนเตาไฟใหญ่มีนายในเรียบานมีร่างกายใหญ่โต จับสัตว์พูกพัดชะมาอยู่ความจริงไม่ใช่พระตั้งใจมาที่ตั้งใจมาเขาประกำบังคับให้มาจับสัตว์ผู้พระผูกพัดมาทําไมอย่างนั้นนะเพราะว่าตามท่านอยู่ที่นี่เพราะว่ามีบาปมีบาปที่ทำไปแล้วเขาจับข้อเท้าทั้งสองเอาหัวห้อยให้ความ แล้วหัวความลงแล้วก็หย่อนทิ้งลงไปในหม้อเหล็กในรกนั้นเวลาโตไม่ไหวจริงๆไอเจ้าน้ ำ, น, ำน้ำที่อยู่ในหม้อเหล็กน่ะก็ขอที่บายให้ฟังเวลความจริงมันไม่ใช่น้ำในแม่น้ำหรือว่าน้ำฝนหรือว่าน้ำป่าปา่าน้ำในหมอน้อในรกขุมนี้ไ็้โปรดทราบว่ามันเป็นน้ำโลหะ ถ้าไม่เคยเห็นแล้วก็ไปดูเวลาที่เขาหลอกระแล้วหล่ออะไรที่เขาเขี้ยวทองแดงเขี้ยวโลหะจะเป็นน้ําแล้วก็เทใส่เบา้าสภาพของน้ําในหม้อทองแดงนี่เป็นอย่างนั้นไอหม้อก็เป็นหม้อทองแดงน้ําก็เป็นน้ําโลหะก็เหลับตานึกดูทีนะว่าน้ําธรรมดานี่ยมันร้อยขนาดไหนจะจะน้ํำนรกที่มีคนนี่ไ ม, ม, ม, ม่มีความรายย้ายยิ่งกว่า แล้วก็มันจะหนักขนาดไหนก็เราคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะ น, น้ำในสภาพมันน้ำมันข้นขนาดนั้นเป็นน้ำโลหะหย่อนสัตว์ลงไปทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยเพรถูกก็เสียงดังซ่าก็เหมือนกับเราเอาของที่มีความเย็นทิ้งไปในน้ํำที่ร้อนๆแล้วเอาน้ํามันหมูก็ดีน้ํามันมะพร้าวก็ดีไม่เคี่ยวเข้าแล้วก็เอาเนื้อหมูแล้วเนื้อปลา นี่สดสดใหม่ใส่ลงไปสภาพมันเป็นอย่างนั้นต็นกล่าวต่อไปว่วาสัตว์ในโลกท่างหลายเมื่อถูกโยนลงไปอย่างนั้นได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสทั้งร้อนทั้งแสบทั้งหมดทุกขเวทนาแบบนั้นตลอดกาลถูกต้มเคี่ยวอยู่ในหม้อเหล็กนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ตนทํามาไอ้สิ่งกรรมนี่นรก ยมโมลกยนรลกคนดีเนืว่า น, นรกบริวารคนดีท่านไม่มีกำหนดไม่เหมือ น, นนรกคุมใหญ่แต่นี้่ม่แยกกันไว้ไว้การฆ่าสัตว์แต่ชีวิตตบยุงคนดีฆ่ามดคนดีฆ่าเล่นฆ่าไรก็ดีแล้วก็มีบุคคลมากท่านด้วยกันที่มีความรู้สึกเป็นหลายคิดว่าสัตว์ที่เกิดมานี้มันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ แล้วก็บอกว่ากินสัตว์ประเภทนี้ไม่บาปอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาต้องหลายเราในเขาทราบได้ยังไงว่าสัตว์ประเภทนี้ที่เราทำร้ายแล้วมันไม่บาปแล้วมันพอใจให้เราทำถ้ามันเป็นอาหารของเราจริงๆแล้วมันเห็นเราเข้ามาต้องวิ่งมาแสดงความยินดีว่าบุาคคลที่จะเรื่องทุกมันนี้ได้เข้ามาถึงมันแล้วคือมันไม่บาปมันหมดบาปหมดจรรม แต่ที่ไหนได้เลยท่านสัตว์ลายบรรดาสัตว์แตงลายเหล่านั้นมันไม่ได้ต้องการเลยมาเห็นเรามันก็วิ่งหนีแสดงว่าสัตว์แตงลายเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อฟรีขี้เพื่อเลี้ยงขีพของเราเป็นเว่าเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเมื่อพูดกันต่อไปท่านก็กล่าวว่านายนิรยาบาลก็เอาเชือกที่เป็นเหล็กแดงโชนล้วเป็นเปลวไฟ ไล่ประวัติรัดคอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็บิดจนกทั่งเชีย่ยวนั้นรัดคอขาดออกจากตัวเมื่อคอขาดแล้วสัตว์นรกก็ตายไม่เป็นอีกแล้วก็เอาศีรษะที่ขาดนั้นลงไปทอดในหม้อเหล็กแดงอล <c oughs> องคิดดูนะ <c oughs> โทษปาณาติบาตมีความเปรียบมีและมีกำหนักขนาดไหนคิดเอาก่แล้วกันได้รับความทุกข์ทรมานทั้ง ทั้งทางกายทั้งที่อะไรถ้าร่างกายด้านศีรษะแล้วก็ทั้งตัวไอตัวก็ร้อนหัวขาดนี่มันก็ไม่ตายหัวก็มีความรู้สึกร้อนไอตัวก็มีความรู้สึกร้อนแล้วก็เจ็บแสบท่บานตอบว่าเนท่านกล่าวโดยว่าแต่ก็หาได้ตายลงไปไม่ชาติในรกทั้งหลายในร้างที่หัวด้วนไอหัวน้่ก็ด้วนไปเดี๋ยวเดียว แล้วหัวมันก็เกิดขึ้นมาใหมา่แทนที่นายนิริยบายก็เอาเชือกเหล็กที่ลุกเป็นเปลวไฟแดงโชนก็ทำแบบนันลัดเข้าไปแต่หวัดเข้ามาแล้วก็รัดบิดให้คอขาดแล้วก็ต้มเล็งโกโกตามน่ายของกรรมตลอดเวลาเป็นนักวาสัตว์ทางหลายเหล่านี้ต้องเสวยผลกรรมอย่างนี้จงกว่าจะสิ้นกรรมถ้าจะกลับมาถามว่าเมื่อไรจะสิ้นกรรมก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน เพราะเวลาท่านไม่ได้บอกไว้ตามที่พูด่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อถ้าจะให้ดีนักฝึกมโนยิทธิลองไปเที่ยวดูปอะไรแต่ว่าอย่าลืมคำสั่งที่สั่งไว้ว่าเมื่อออกจากกายแล้วมุ่งหน้าไปสู่จุรามุณีเจดีสถานก่อนไปนรมเสกการองสมเด็จปัชินวรศึกษาธรรม แล้วจงอย่าเอความรู้นี้ไปโ อ, โ อ, โอ้อวดชาบ้านถือตัวเราเป็นผู้วิเศษถ้าเรารู้ตัวเราดีเมื่อไรเราก็ระยำเมื่อนั้นหมายความว่าความดีมันจะสลายไปเพราะใจกำเริบที่มีมณทิทิอย่าลืมตั้งจุดเดิมไว่ว่าหนึ่งเราต้องไปจุลาโมนีเจดีสถาน ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระจิตพิจิตตมานที่เราสงสัยและปฏิบัติที่ยังไม่ถึงศึกษาแล้วต่อไปจะไปทไหนก็ได้จะไปชมสวรรค์จะไปชมนรกจะไปชมพรหมโลกถ้าจะมีวิปัสสนาญาณพอจะใช้ได้มีกำลังพอก็จะสามารถที่สูดนพนิพพานได้สำหรับพนิพพานอยู่ที่ไหนมีสภาพไปยังไงผมไม่บอกท่านแล้วนรก อย่างโลหะุมพีนี่ก็เหมือนกันที่พูดมาอย่างนี้มันเป็นเรื่องย่อเท่านั้นไม่ใช่วิจิตพิสดารถ้าเราจะเข้าใจจริงๆแล้วก็ขอบัรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงีิสุดสมันเนที่ได้มโนยติไปศึกษากันเองกันแล้วกันจะได้รู้ชัดนี่กล่ากันตามไปพ่ตามพมบาลีต่อไปว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงตัดว่ากรรมที่นามาเสมอทุกขโทษในนรกนี้ ก็ได้แต่ ก, กรรมที่เป็นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือทําการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นจับเอาสัตว์เป็นเป็นมาใส่ลงในหม้อน้ําร้อนให้ร้อนให้ตายแล้วก็เอามากินเป็นอาหารบ้างหรือไม่เช่นนั้นก็ทําความชั่ว ย, ยาบอย่างอื่นเืิดได้เกิดทำลายชีวิตเขาทำลายร่างกายเขาถ้าว่าอย่างไง ควรจะเถวายทุกเวทนาในมหานรกแล้วแต่บอกว่าทำความชั่วยอย่างอืน่นเมื่อไปสเสวยทุกเวทนาในมหานรกแล้วแต่ภายหลังปรับสนิกตนพยายามประกอบกรรมที่เป็นกุศลบาป ท, ที่ตนติดอยู่ในจิตยในจิตค่อยคลายล ยิงต้องได้รับโทษเพียงตกแค่โลหะขุมพีนะละคุมนี้อ้อถ้าอย่างนี้ก็ผอนลึกออกว่าอย่างท่านพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ฆ่าพระราชวีดาคือพระเจ้าพิมพิสารในขณะดี่่าก็อาศัยมีความหลงผิดเพราะเทวทัตผู้เป็นผานแนะนำสั่งสอนให้ปฏิบัติตามแต่ในที่สุดพระเจ้าอาชาติตศัตรูประกษัตริย์ กลับมีความรู้สึกสำนึกตัวว่าทำผิดมากไปในการกระทําอย่างนั้นเขอาศัยความหลงไหลไฝฝันในการคบคนผ่านก็คือเทวทัตต่อมามีความรู้ตัวว่าทำผิดมากทีงได้เข้าไปขอเข้ามาโทษแต่องค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระพักในได้ของการทําลายชีวิตปิดาและก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้นอย่างเช่นบํารุงพระพุทธศาสนาเป็นต้น ช่วยบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายจัดที่ทาสังขยาณาร้อยกรองพระธรรมวินัยเปลว่าโทษท่านันหลายที่พปะเจ้าอาชาติศัตรูจะตกอเวจีมหานรกเพราะฆ่าพระราชบิดาพราะกลับมาตกแค่โลหกุมพีนรกขุมนี้นี่แบ่นเข้าใจว่าเมื่อบคุคคลนั้นหลายก็สร้างกรรมไม่ดีแต่บังเอิญมารู้ตัวภายหลัง เข้าใจว่ากรรมที่ทำตัวทํานั้นมันเลวเกินไปก็กลับใจเสช่ใหม่ตอนจะตายเมียลมผ่องใสพองแผ้วจะมายความก่อนจะตายใจคนนี้มีความรู้สึกแล้วว่าทําความชั่วและจะเลยทําใจของตัวให้น้อมมาในด้านผู้สนเช่นพระเจ้าอันชาติและศัตรูตายไปแล้วแทนที่จะตกอเวจีมหานรกก็มาตกขุมนี้อนิจจมันกันไม่ก็แล้วกัน สำหรับวันนี้เวลาก็หมดสแล้วก็ขอยุติวัแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วจงมีเดบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับกางทุกท่านสวัสดี